ไม่รู้ว่าเรียนอริยศัสตร์แล้วเอาอริยศัสตร์ไปคิดบ้างหรือเปล่ามาัา้รซ้ำเพราะว่าถ้าเราคิดเรื่องอริยศัสตร์เยอะๆนะการเรียนอริยศาสตร์ก็จะค่อนข้างทราบซึ้งลึกซึ้งแต่ถ้าได้แต่ฟังก็อย่างว่านะก็ทุกครั้งฟังก็จะเป็นคำเดิมๆไม่ใช่เป็นเรื่องลึกซึ้งอะไร เพราะเมื่อไหรก็เกิดแก่เจ็บตายเมื่อไรก็เกิดแก่เจ็บตา ย, แ ต, ายแต่ถ้าเอามาพิจารณาใคร่ครวนให้เห็นในจริงๆในชีวิตมากๆทุกคำที่พระองค์ตรัสนั้นจะทราบเส้งหมดเลยเป็นธรรม ท, ที่ที่เราเชื่อว่าถ้อยคำเหล่านี้นี่แหละจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าเราเอาไปเพ่งเอาไปใคร่ครวนอย่างแท้จริงนั่น ท่านการเจริญวิปัสนาเราชอบไปไปใส่อะไรที่มันลึกซึ้งลีลับซับซ้อนคิดไปคิดมาจนจนล่วงเลยในสิ่งที่เราม า, ามาศึกษาพระธรรมนะั่นนะว่าเหตุใดเราจึงศึกษาพระธรรมพระธรรมมีมีมาในโลกเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรถ้าหากว่าเรา จับประเด็นของชีวิตไม่ค่อยเก่งนักนะการศึกษาพระธรรมของเราก็จะเป็นเป็นการศึกษาวิชาอะไรก็ไม่รู้อีกวิชาหนึ่งที่จบแล้วก็คงจบเลยนั่นะซึ่งไม่ได้มีผลต่อการเจริญอย่างแท้จริงซึ่งก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้น <c oughs> อย่างการทำตีระนปริญญานีนะ่การทำปริญญาก็คือทาโดยว่า พิจารณาขันทั้งหลายโดยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักพราดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักปรารถนาแล้วก็ไม่สมหวังทั้งหมดนั้นก็คือขันห้านั่นเองถ้าเอามาคิดบ่อยๆว่าแล้วขันห้ามันคืออะไรล่ะมันอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างไร ถ้าหากว่าเราระลึกถึงขันห้าลักษณะนี้บ่อยๆก็จะใคร่ครวญว่าคำว่าขันก็อาจถาว่ามันเป็นกองอะไสิ่งเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเลวทั้งประนีตทั้งหมดก็คือขันขันเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นไปกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยนะโสกาปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาต ประสบกับสิ่งประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้างพละดพราดจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้างปรารถนาแล้วไม่สมหวังบ้างทันถ้าหากว่าหมัน่นใคร้ครวนหมัน่นพีจาจรณาบ่อยๆก็จะเห็นขึ้นเมื่อเราเห็นความเป็นขันในลักษณะนี้บ่อยมากเราก็รู้ว่าเอขันเหล่านี้มันเกิดมาจากอะไรอะไรนอเป็นเหตุให้ขันห้าเหล่านี้เกิดขึ้น เราก็จะเริ่มมองเห็นสมุทัยสัตว์ว่าสมุทัยนะเป็นตัวที่สร้างขันห้าขึ้นขันห้าเนี่ยเป็นไปตามปัจจัยปัจจัยของขันห้าก็คือสมุทัยทีนี้สมุทัยเนี่ยที่เป็นสมุทัยสัตว์คือตันหานี่ตันหานี่ลำพังเขาอย่างเดียวไม่สา ม, มารถให้ผลได้เขาก็ยังมีบริขารมีบริวารบริขารบริวารของขันห้าก็ของตันหาก็คือ อวิชาหรือกรรมนั่นนะทั้งอวิชาทั้งกรรมก็เป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องปรุงเป็นเครื่องช่วยเหลือเกื้อกูลต่อตันหามันก็เหมือนกับว่าล้ำพังเจ้าพ่อคนเดียวมันก็ทําอะไรไม่ได้ไม่เท่าไร่ใช่ไหมที่สําคัญก็คือมือปืนซ้ายขวาเป็นต้นนั่นนหะหรือเหมือนกับพระราชาที่มีเดชมีอํานาจจริงๆก็ตัวพระราชาเนี่ยทำอะไรไม่ได้เท่าไหรหรอกสำคัญที่อํามาศ ร, รอบข้างนั่นแหะ ผู้สนององค์การนั่นแหละเป็นตัวที่ที่ทาให้เจ็บแสบเดือดร้อนแต่ถ้าจะทำลายจริงๆก็ทำลายหัวหน้าใหญ่อันนั้นคืออวิชากับตันหาตันหานี้ในฐานะเป็นเป็นเหตุแห่งแห่งทุกข์จริงๆถ้าหากว่ามันใครครวญถึงว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ทุกทั้งที่เป็นเกิดนะความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ ซึ่งทว่าไปทั้งหมดนั้นก็คือที่เกิดก็ขันท่านั่นแหละเกิดที่แก่ก็คือขันท่านั่นแหละแก่ที่เจ็บก็ขันท่านั่นแหละเจ็บที่ตายขันท่านั่นแหละตายถ้าขันท่าไม่สมประกอบไม่เหมาะสมทุกก็เกิดจากขันท่าโทมนัสก็เกิดจากขันท่าเศร้าโศกเสียใจก็เสียใจเพราะขันท่าสิ่งที่เราเสียใจทั้งหลายแหละที่มี ม, มีอ่ะนะมีไหมสิ่งที่เราเสียใจพ้นขันท่า ไม่มีะนะเพราะว่าเสียใจก็เสียใจเพราะขันห้าเดือดร้อนก็เดือดร้อนเพราะขันห้าถ้าธรรมะสัญญาความสำคัญว่าเป็นขันไม่มีอยู่ในภายในหรือไม่มนักสการโดยความเป็นขันขอมาอยากจะบอกว่าอริยสัจข้อหลังๆเนี่ยหมดเสิ็จเรียนเลย <Yeah. S 1> คือถึงเรียนยังไงมันก็ไม่เข้าใจ ที่ทําไมจึงไม่เข้าใจเพราะเราจะมองโดยความเป็นสัตว์ไม่ใช่มองโดยความเป็นขันเมื่อมองโดยความเป็นสัตว์เข้าเนี่ยลําบากมากคือคือถ้ามองเป็นสัตว์เนี่ยนะไอ้พื้นฐานปิยมนาปะก็จะเข้ามาจ้ะเออเป็นที่รักเป็นที่พอใจนะถ้ามองเป็นขันบางทีก็ถูกขิตเออทุกข์ขิตสัตว์ก็จะเข้ามาเออมันก็หน้า ก, การุณานะ พันธุ์ก็การมนาสิการในบางกรณีเนี่ยมันทําให้ห่างห่างการมนาสิการโดยแง่ของอริยสัจพันธุผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเป็นคนที่แยกแยะวิเคราะห์อารมณ์ทุกอารมณ์ได้อะอะไรเป็นอะไรในแง่บัญญัติเป็นอย่างไรในแง่ปรมัติตเป็นอย่างไรสภาวะที่เป็นจริงนี่เป็นอย่างไรจะต้องเป็นคนที่วิเคราะห์เก่งมากความรู้ต้องเพียงพ อ, อนะเมื่อเพียงพออย่างนั้นจึงจักเจริญได้ ถ้าไม่พออย่างนั้นเนี่ยเจริญก็ยากนนะก็เอามาปฏิบัติจริงๆก็ยากเพราะฉะนั้นอริยศสตร์ที่เรียกว่าบรรลุยากกเพราะว่าแค่คิดถึงอย่างยากเลยนะคือแล้วก็เราก็ไม่ค่อยอยากจะคิดถึงตามตามกฎเกณฑ์ของอริยศัสตร์ด้วยนะเพราะอย่างทุกข์ัตร์ เ, น, เนี่ยเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ น, นะทุกข์คือโสกะปริเทวะทุกขโทม น, นัอุปาญาตเป็นต้นก็เป็นทุกข เรามานาัสการอารมณ์อะไรเราก็ไม่ค่อยคิดว่ามันเป็นทุกข์จริงๆด้วยนั่นนั่นคือตัวทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะเราก็ไม่ค่อยยอมรับว่ามันคือตัวตัวทุกข์เราก็จะมองมองตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอนตลอดเมื่อคิดตรงกันข้ามพิจารณาตรงกันข้ามตลอดดนั้นการปฏิบัติที่จะเจริญงอกงามมันจึงไม่มีนั่นะจึงจึงไม่เจริญเท่าที่ควร เรียกว่าอาธิมุตด ไ, ไม่มีเลย อ, อธิมุตดไม่มีเลยอธิมุตดเนี่ยแปลว่าการน้อมใจเนี่ยนะคือเราไม่น้อมตามเลยนะมันมันเหมือนกับอะไรอะ่ะมันเหมือนกับว่าพูดสภาพเป็นแบบชาวโลกอะนะพูดให้ขำพูดโจ๊กไปกี่สิบเรื่องมันก็นั่งเซึบบื้อเหมือนเดิมหมดอ่ะนะนอเอออันเนี้ยถามว่ามันจะเป็นยังไงเนานั่นแหละ เขาเคยมีนะพระรูปหนึ่งที่ชอบพูดให้คนถ้าพูดแล้วคนจะขำมีอยู่ไปเทศงานหนึ่งนะคนไม่มีใครขำให้เลยแม้แต่คนเดียวพูดอยู่สิบนาทีแล้วไม่มีใครขำให้แกเลิกเทศเลยจับไม้แขึ้นรถกลับวัดเลยเนี่ยนะ <c oughs> มีนะเรื่องนี้มีเรจริงไม่ได้หลอกอะไรหรอกอนี่นะคือการคิดเรื่องอริยสัจก็เหมือนกันนะถ้าคนที่ไม่ค่อยมองในแง่มุมของอริยสัจ มันยากเหมือนกันนะที่จะอธิบายให้เาขาเขาา<ข>เข้าใจในะตรงนั้นมันค่อนข้างเป็นภาระมากก็คือการน้อมใจนะธิมดการน้อมคือการน้อมไปแต่ว่าอธิมดทั่ทั่วไปท่านเป็นหมายถึงลักษณะของศ ร, รษษัทธาอธิมตดอธิโมกกลุ่มเดียวกัน ก็ไม่ใช่ที่โมกเกตสิงแต่ทิมุดมันหมายคำว่าน้อมใจไปเป็นน้อมใจอย่างเช่นถ้าเจริญสติสัมโพชง์ก็น้อมให้สติสัมโพชงเนี่ยเกิดถ้าวิริยะสัมโพชง์ก็น้อมเพื่อให้วิริยะสัมโพชงเนี่ยเกิดขึ้นการน้อมเพื่อให้โพชงเหล่านั้นเกิดนั่นแหละเรียกว่าทิมุตเนี่ยนะก็ตรงกันข้ามไม่น้อมไม่ยังขัด เโดย็นใช่ทีนี้เมื่อเมื่อเห็นตรงกันข้ามแบบนี้เนี่ยนะมันมันมันประกาศถึงว่าความเจริญในพระธรรมไม่มีอันนี้คือคือเห็นและเ น, น, นี่ยนะพอมาโดยส่วนตัวนี่เห็นเรื่องนี้มานอนเห็นมาบ่อยมากเลยตอนหนังว่าตรงๆค่อนข้างรังเกียจการคลุกคลีเพราะว่าคนที่มีอัธยาศัยน้อมไปตามคําสอนไม่ค่อยมีมีแต่ความคิด ปฏิเสธคําสอนมีความคิดตรงกันข้ามกับคําสอนคือคือเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาไม่มีกรรมมกตาเลยว่าไอจิตของเขาแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นกรรมอย่างไรมันจะมีวิบากต่อไปอย่างไรอบายภูมิมันเป็นอย่างไรสุขติภูมิเป็นต้นมันเป็นอย่างไรเมื่อเขาไม่น้อมไปมนานสิการเนี่ยนะเขาก็ไม่เจริญเท่าที่ควรจะเป็นเมื่อไม่เจริญเท่าที่ควรจะเป็นเนี่ย ผู้ใดคลุกคลีด้วยมากผู้นั้นก็จะเสื่อมด้วยมากนั่นนะ <c oughs> ทีนี้มาดูที่ขันห้าอีกครั้งหนึ่งนะขันห้าเนี่ยทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถามว่าขันห้าเหล่านี้อยู่ที่ไหนคืออะไรนั่นนะคืออะไร ถ้าจะเห็นชัดเนี่ยในสมุทัยอริยศัสตร์เนี่ยจำแนกให้ให้ดูชัดเลยในหน้า12บนะดูการนทิสูทั้งหลายก็ทุกขะสมุทัยอริยศัสตร์เป็นไนะตัณหานิไดอันมีความเกิดอีกประกอบด้วยนั้นที่ราคะเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นคือการมตตัณหาภาวะตัณหา วิภาวะตัณหาัสังเกตดูนะว่าตัณหาเนี่ยอันมีความเกิดอีกจริงๆอะ่ะมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดอีกอะนะถ้าโดยอัฏฐะเนี่ยตัวที่นำให้เกิดอีกภาร ก, กิจของเขาเป็นอย่างนั้นประกอบด้วยนันทินันทิคือความเพลิดเพลินเนี่ยนะเพะเวลาที่ตัณหาเกิดนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งเลวร้ายนะักสาหรับ สำหรับสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในวัตตะเนี่ยนะเหมือนอย่างว่ า, าขณะที่สัตว์ทั้งหลายบริโภคตัณหาเนี่ยเหมือนกับกำลังเสพยาเสพติดชนิดหนึ่งเนี่ยนะที่ที่อยู่ในเวทวงคนติดยาด้วยกันเนี่ยก็ยินดีด้วยกั น, น, นถ้าใครได้เสพตัวนี้ขึ้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสุขมากเป็นผู้ที่น่าริษยาที่สุดเนี่ยนะทุกคนก็จะตะกุยตะกายหรือว่าถ้ารักกันชอบกันก็ พยายามที่จะทําให้เขามีนันทิเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะก็ถือว่าความเพลิดเพลินมีเท่าไหร่ความสุขก็มีเท่านั้น น, นะก็เหมือนกับพวกแวดวงยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นความสุขของเขาเนะี่ยข้อมานี่เคยอยู่ในวงยาเสพติดนะเช่นพวกกัญชาเนี่ยนะสมัก่อนเนี่ยโปรตปานมากนนะต่างกวนสูบเป็นค่อนคืนครึ่งคืนนั่นแหละหนักเข้าเห็นสาลีเป็นกระเทียมไปหมด ส ำ, สำลีเนี่ยสำลีนนเนี่ยก้อนๆเนี่ยใครเอากระเทียมมาวางไว้ทําอะไรเนี่ยหัวเราะกันคําสนุกแลเนี่ยแล้วก็ถ้าในแวดวงเดือกันเนี่ยมันก็ไม่มีใครเตือนใครอ่ะนะก็มีแต่ว่าใครจะใครจะสูบได้มากกว่ากันใครจะสูบได้มากกว่ากันถ้าใครสูบว่าโอ้คนนั้นเก่งมากนะก็เพลินกันอยู่อย่างนั้นแหละ ก็ไม่เหลือฉะนั้นพวกแวดวงยาเสพติดเขาก็มีความสุขของเขาอะเพลินอยู่นั่นแหละทีนี้ถ้าหมดหมดทำยังไงหมดก็หาใหม่หาเพิ่มเนีย่ยนะมันจะเหนื่อยบ้างมันจะลำบากขนาดไหนก็ช่างขอให้มันมีอีกมันก็มีความสุขไปอย่างนั้นแหละฉนันพวกนี้เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆเนีย่ยนะทีนี้ไอ้พวกยาเสพติดมันมันก็คือมหาพูดนั่นแหละ ใช่ไหมถ้าว่าเอาอาวินิโพค ร, รูปมาวัดมันก็คืออวินิโพค ร, รูปเพียงแต่อวินิโพค ร, รูปอย่างนั้นเนี่ยสังคมเขาไม่ยอมรับเขาถือว่ามันมีโทษในในระดับอีกถ้าระดับทั่วๆัไปนะเขาถือว่าไอแบบนั้นมีโทษแล้วอวินิโพค ร, รูปอย่างอื่นอีกละ่ะอวินิโพค ร, รูปอื่นๆ ท, ที่เรียกว่าดอกไม้ใบหญ้าที่สวยสดงดงามเนี่ยนะ ถ้าแบบพระพุทธเจ้ามองปั๊บอันนั้นมันน่ารังเกียจเพราะมันจะมีโทษเหมือนกันมีโทษเหมือนกันในตอนท้ายอย่างที่หลายๆสูตรพรองตรัสว่าโม์ทั้งหลายเนี่ยเพลิดเพลินในกรมมาคุณเนี่ยยังไม่ทันอิ่มก็ตายแล้วเหมือนอย่างว่าผู้ที่เข้าไปเที่ยวในสวนดอกไม้เนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมาเพลินกําลังเพลินหมดเวลาพอดีเนี่ยหมดเวลาฉันใด ผู้ที่เพลิดเพลินในวัตถุกรรมทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันพอเพลิดเพลินไปเนี่ยนะเพลิดเพลินไประดับหนึ่งก็ชีวิตก็หาไม่พเพราะเขามีความเพลิดเพลินเนี่ยฉาบทารูปไล้เอาไว้ตลอดทันตัญหาตัวนี้นี่แหละทางธรรมะถือว่าเป็นเหตุแห่งทุกเนี่ยนะเหตุแห่งทุกทุกทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างไร ก็ผู้ใดติดข้องกับสิ่งใดมากก็ต้องเดือดร้อนเพราะเพราะสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นมันมันมันเป็นไปกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายใช่ไหมสิ่งนั้นนั้นที่เราชอบอ่ะเป็นของที่เป็นไปกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพิรายรำพัน์เป็นต้นเนี่ยความอ่เป็นตัวทุกข์เหมนพันถ้าสิ่งนั้นเปลี่ยนไอตัวเพลินก็เปลี่ยนไปอีกก็ก็ทุกข์อีกละอันนี้ที่เห็นเห็น แล้วถ้าชาติใหม่ล่ะตันหาก็นำเกิดในภพใหม่ตันหานั้นพระองค์ตรัสเป็นสองส่วนไนตันหาเรียกว่าสมุทาจารุกับวัตตมูลสมุทาจารุก็คือมันเป็นปริยุทธ์มันกลุ่มรุมออกมาเช่นตัญหาเป็นเหตุให้สแสวงหาเมื่อสแสวงหาก็เกิดการ ได้พอได้ก็เอามาตึกมาคิดมาแบ่งเอาไปทําอะไรดีพอมาตึกมาครุ่นคิดมาแบ่งก็อ่ะอันนั้นของเขาอันนี้ของเราแล้วก็เกิดการรักษาทีนี้พอเกิดการรักษาก็เดือดร้อนเพราะการรักษาเองสงครามทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เพราะการรักษาเพราะว่าผู้ใดมีวัตถุที่น่าปรารถนา ม, มากก็มีอะไรมากมีศัตรู ม, มาก ใครมีวัตถุที่น่าปราถนากที่สุดคนนั้นมีศัตรูมากที่สุ ด, นนสมมสดเพราะว่ามันกระดูกมันมีอยู่ท่อนเดียวไงหมาตัวใดครองเอาไว้หมาตัวอื่นมันก็มันก็จะมาแย่งละเหมือนกับว่าใครนกตัวใดมีชิ้นเนื้อก้อนโตนเนี่ยนะมันนอนไม่ค่อยหลับพวกอื่นมันก็มามาจิกมาตีเพื่อจะแย่งเอาชิ้นเนื้อก้อนนั้นไป เพาอย่างสมัยนี้นี่นะศึกชิงมรดกทั้งหลายแหละมันจึงไม่ได้เลิกราเลยมีการแข่งแย่งกันอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งพี่กับน้องก็ยังทะเลาะกันเพราะศึกชิงมรดกนะั่นนะทะเลาะกันอยู่นั่นแหละในที่สุดเนี่ยนะแย่งกันเพราะแผ่นดินเนี่ยนะพี่น้องอ่ะตายไปแล้วก็แผ่นดินก็ยังอยู่ตามเดิมใช่ไหมศึกชิงที่กันอ่ะนะฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่ากันเสร็จเขาก็ฝังไว้แถวๆนั้นอ่ะนะนะที่มันก็ไม่ใช่ของใครอยู่แล้วละ่ะ มันเป็นสมบัติของโลกมันคือมหาพูดทีนีไ้ไอ้ความที่เราไม่รู้โทษของตันหาอันนั้นเนี่ยก็เลยส่งเสริมตันหาเนี่ยเต็มที่โดยที่ไม่รู้ว่านี่กำลังส่งเสริมวัตทุก่นะถ้าหากว่าไม่ใช่วิสัยของปราดบัณฑิตจริงๆเนี่ยจะไม่ไม่คิดเลยนะว่าไอ้ตัวนี้คือตัวเหตุแห่งทุกข์ก็มีสมัยพุทธกาลเนี่ย ฤหบดีคนหนึ่งเขารักลูกชายเขามากลูกชายของเขาเนี่ยกำลังน่ารักโรูงงามเพราะเขาเป็นคนมีฐ า, านะนะเป็นฤหบดีเศรษฐีใหญ่มีลูกชายอยู่คนเดียวกำลังชีวิตเนี่ยฝากความหวังทุกอย่างไว้กับลูกชายคนนี้หมดเลยเขาเพลิดเพลินมากตอนหลังลูกชายมันตายไปพอมันตายไปก็ก็ต้องเอาไปเผาองนะไม่เผาก็ฝังละไม่ฝังก็ทิ้งป่าช้า ก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าไอ้ทุกโธมนัสนี่มันเกิดจากอะไรพระองค์ก็บอกว่ามันเกิดจากตัณหานะเกิดจากท่านไปเพลิดเพลินในบุตรของท่านนั่นแหละท่านจึงทุกข์แต่เถียงว่าไม่ใช่มันเกิดจากลูกตายจึงทุกข์ไม่ใช่เกิดจากความเพลิดเพลินเถียงพระพุทธเจ้าเลยนะไม่เชื่อแต่ก็ตอนหลังก็เดินออกไปออกไปแบบไม่เชื่อนะ ก็ไปเล่าให้พวกขี้เมาฟังก็บอกว่าไอ้ขี้เมามันก็เห็นด้วยตามตามเครือข่าย บ, บดีคนนั้นแหละก็ไม่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ว, ว่ามันเกิดจากความเพลิดเพลินเคอพระพุทธเจ้ายืนยันอยู่ในหลักเดิมว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความเพลิดเพลินแต่เครหาย บ, บดีคนนั้นบอกว่าไม่ใช่ก็เพราะลูกตายอเขาจึงทุกข์นั่นนะ ตลบของใครถูกอ่านไแน่นะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่คิดว่าเพราะเราไปไปชอบสิ่งนั้นอนะ่ะไม่ค่อยคิดแบบนี้ใช่ไหมทั่วทั่วไปเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายสมมุตินะเอาง่ายๆอย่างรถเราเสียเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นแล้วเราเสียใจมากเลยนะเสียใจเพราะรถมันเสียหรือว่าเพราะจะเราไปไปไ ป, ไปฝากความรักเอาไว้กับรถจนเกินไปเพราะอะไรฮะ <c oughs> พอรถมันเสียอสาธุขอให้เห็นอย่างนี้เถอะตอนหลังเกิดจริงๆแล้วอ่นะความทุกข์ทั้งหมดก็เกิดจากเราเข้าไปคือไปให้ค่าสิ่งนั้นมากไปให้ความหวังกับสิ่งนั้นมากเมื่อสิ่งนั้นแปรไปเนี่ยนะก็ก็อย่างที่อย่างแม้กระทั่งพวกสามีภริยาที่เขาฆ่ากันเองอ่ะนะเขาฆ่ากันในตอนหลังก็เพราะอะไร ก็เพราะอีกฝ่ายหนึ่งไปหวังกับอีกฝ่ายหนึ่งจนจนเต็มที่หมดเลยอ่ะนะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งอ้าวเขาไม่ได้เป็นอย่างเราคิดนี่ก็อะไรเกิดขึ้นนะความเสียใจทั้งทั้งสารพัดก็เข้ามาทําความชั่วอีกบานเบิดก็ตามเข้ามาในความเพลิดเพลินยิ่งเข้าไปเพลิดเพลินกับสิ่งใดมากที่สุดเขาก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นมากที่สุด แต่ในบรรดาสิ่งที่เราเพลิดเพลินที่สุดจริงๆคืออะไรแม้กระทั่งเราเพลิดเพลินข้างนอกนะจริงๆก็เพื่อเพื่อบำเรอข้างในอะนะว่างง่ายถึงสมมติถึงเราชอบลูกชอบหลานเนี่ยนะก็เพราะว่าลูกหลานมันเป็นมันเกี่ยวข้องกับเราถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับเราเราจะไม่สนใจเลยจริงสมมตินาะใครที่มีลูกอายุยี่สิบอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเด็กอายุยี่สิบทั้งประเทศมีเท่าไหร่ ทำไมเราไม่ไปเพลินให้มันหมดทุกคนน่ะทำไมเอาแต่คนเดียวเ <No. Okay. S 1> นี่ยนะแล้วทั้งๆที่ลูกของเราประกวดอะไรก็ไม่ได้สักอย่างะนะแต่มันร่ารักที่สุดในใน ใ, ในความคิดของเราเนี่ยนะมันดีที่สุดเนี่ยนะเรียนอาจจะที่โหลในห้องแต่มันก็คือคนพิเศษของเราชอบมากนะคือฉันนราคามันติดมันข้องคนอื่นไปเที่ยวหายไปเจ็ดวันเนี่ย น, น, นไม่เป็นไร ไอ้ลูกคนนี้ไม่ได้คนอื่นเนี่ยอายุเท่ากันเขาจะเผาวาะจีรอบก็ใช้เฉยอีกแต่คนนี้ไม่ได้ทั้นไอ้ความเพลิดเพลินเข้าไปคาดหวังเอาไว้เนี่ยนะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์เอามากมากจริงๆแต่ทางนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่ามักจะบําเรอตนนั่นแหละคือคือเหมือนกับว่าเราได้ผลประโยชน์จากสิ่งนั้นคิดดูนะอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราได้จากสิ่งนั้นเนี่ยนะเราค่อนข้างจะ โสมนัสกับสิ่งนั้นมากท่านถือว่าอันนั้นเป็นเป็นวัตถุแห่งอารมนาธิปดีเป็นอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเราเนี่ยนะมันถ้าไปคาดหวังกับวัตถุใดามากนะเขาจะเดือดร้อนเพราะวัตถุนั้นเนี่ยมากที่สุดเนี่ยนะ อ, อันที่จริงเขาลำพันกันนะลูกผัวเมียนเนี่ยนะ ลำปันโอ้ถ้าเธอตายแล้วใครจะมาชงกาแฟฉันกิน <c oughs> ใ, คใครจะมาปูที่หลับที่นอนใครจะมาซักเสื้อผ้าฉันโอยเสียอกเสียใจร้องไห้แหมรักหัวเลื้เกินหรือรักเมียเลื้เกินกก น, นี่ล่ะล้ำพันจริงจริงใช่ก็ลองเป็นอมาพาธดูที่อีกฝ่ายเป็นอมาพาตดูอีกฝ่ายจะรักตามเดิมหรือเปล่า <c oughs> มันก็คือถ้ายังมีอัศธาธุต่อกันอยู่ คือคือยังเห็นว่าอีกฝ่ายน่ายินดีอยู่ก็ก็จะเรียกว่าฉันทะราคะความผูกพันก็มีละ่ะแต่เมื่อใดอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือตัวโทษนะตัวปัญหาทั้งหมดเกิดจากอีกฝ่ายหนึ่งอะนะตั้งกันนั้นอาทีนวะก็จะเกิดขึ้นโทสะก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพันทุกอย่างก็จะโยนไปให้อีกฝ่ายหนึ่งหมดตําหนออีกฝ่ายหนึ่งตําหนออีกฝ่ายหนึ่ง คือแม้กระทั่งในในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่การหย่าร้างสูงมากทั้งในประเทศไทยและประเทศประเทศอื่นๆก็มีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเป็นสมัยที่มีการหย่าร้างมากที่สุดเนี่ยนะก็ตอนแรกละ่ะตอนแรกมันขาดกันไม่ได้เลยมันจะตายให้ได้ตอนหลังเจอหน้ากันแล้วมันจะตายให้ได้อีกเหมือนกัน <c oughs> นนะแล้วก็อย่างนี้แหละวัตถุเดียวกันเนี่ยตอนแรกก็โอ้เป็นเอามาก ตอนหลังก็ไม่ใช่แล้วะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็เนื่องจากคือตอนแรกที่เราไปชอบอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะให้ความสุขแก่เราเต็มที่ใช่ไหมคือจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเถอะแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขของเราแล้วนะนั่นก็จะเริ่มเป็นส่วนเกินเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีเหมือนกับข้าวของในบ้านเราเนี่ย ถ้ามองเรามองว่ามีคุณมีค่าอยู่เราจะเก็บเอาไว้ใช่ไหมแต่ถ้าเรามองคิดว่ามันไร้โทษเมื่อไหร่นะอ่ะขอไปไร้คุณเมื่อไหร่นะทาไง โ, โยนทิ้งกันนะแม้กระทั่งจะต้องจ้างให้เขามาเค็นออกก็ยอมอนะหลายๆเรื่องเลยใช่ไหมจ้างยอมนะจอยอมจ้างให้มาช่วยเอาออกไปทีเอาออกไปที แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้นะสรุปว่าของทางธรรมะถือให้ความสําคัญกับทุกโทษเนี่ยเกิดจากตัณหาเป็นเป็นหลักแม้กระทั่งวัตตะทุกทั้งหลายแหละคือเราถ้าเรามาเคยคิดอย่างหนึ่ง น, นะนี่นะถ้าเขาไม่มีตัณหานะเขาไม่ต้องเกิดในนรกหรอ ก, อกนนะถ้าไม่มีตัณหาเขาไม่ต้องมาขันแบบนี้หรอกมาเอ๊ะเอเ อ, เอ๊ตอนเย็นๆอย่างเงี้ย น, นะไม่มีแล้ว ถ้าเขาไม่มีตันหาสัอย่างเดียวเนี่ยนะความทุกข์ทั้งหลายแหลการสแสวงหาอาหารเป็นต้นจักไม่มีโดยประการทั้งปวงแต่เนื่องจากฉันทราคะความพอใจความเพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆันั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์อันนั้นก็แบ่งเป็นทั้งกาฏาตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหาพุทธพจน์หลายๆแห่งใช้คําว่าถ้าความเพลิดเพลินเกิดทุกข์ก็เกิดนะ เหตแห่งทุกเนี่ยง่ายมากคือตามเพลิดเพลินในอารมณ์มากเท่าไหร่ก็มีทุกมากเท่านั้นถ้าตามเห็นโทษในอารมณ์มากเท่าไหร่ก็จะพ้นทุกข์ด้วยประการอย่างนั้นก็คงคงพอมองเห็นทางออกนะว่าศึกษาพระธรรมเนี่ยนะถ้าจะกล่าวแบบย่อๆเลยนะทางแห่งวัตทุกข์คืออะไรบอกว่าตามชมอารมณ์นั้นไปตามเพลิดเพลินไปตามยินดีไปนั่นแหละ ทุกทั้งมวลก็จะประดังเข้ามาแต่ถ้าตามไอ้สิ่งเดียวนั่นแหละตามเห็นโทษไปเห็นโทษมากเท่าไหร่ในที่สุดพ้นทุกก็ก็คงแยกสองทางนี้ออกนะคุณนงออกก็ยังจะให้ไม่ได้นะเดี๋ยวจะให้ออกมารายงานหน้าชั้นเ ทีนี้เขาตั้งคำถามว่าตัณหานั้นนะเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าที่ใดเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นั้นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นั้นอะไรเป็นที่รักเป็น <attempted> <ต cycle S 1> ที่จเจริญใจในโลกเราคิดมานะว่าตอนแรกเนี่ยตัวทุกข์ทั้งหมดคืออะไรตัวทุกข์นะแก่เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ โสกกว่าทุกปริเทวะคร่ำครวญกว่าทุกความทุกขทางกายความทุกขทางใจพลัดพรากกว่าเป็นทุกขไปเจอสิ่งอันไม่เป็นที่รักกว่าเป็นทุกปรารถนาสิ่งใดก็ไม่สมหวังกว่าเป็นทุกขว่าโดยย่อขันห้าคือตัวทุกขขันห้านั้นนะคืออะไรรูปประขันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคือรูปประขันเนีวิญญาณขันก็คือใจ รูปขันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโภทพะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็คือธรรมมรมคเวิญญาณขันคือจักขูวิญญาณโสตะวิญญาณขานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณสังขารขันคือจักขู่สัมผัสโสตะสัมผัสขานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายวิสัมผัสมโนสัมผัส วิญญาเวทนาขันคือจักขู่สัมผัสชาเวทนาโสตขานาชิวหากายมโนสัมผัสชาเวทนาสัญญาขันก็รูปประสัญญาสัทธาขันทาระสะโพทะพระธรรมะสัญญ า, า, า, า, รร ส, ญญาสังขารขันก็คือเจตนาตัณหาวิตกและวิจารณ์สิ่งเหล่านี้เป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกจริงๆก็ถามว่า ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ใช่ไหมบอกใช่แต่เชื่อไหมเราชอบที่สุดเลยคือสิ่งที่เราชอบที่สุดสิ่งที่เราต้องการที่สุดสแสวงหาที่สุดเรียกว่ากระหายสิ่งนี้ที่สุดเลยแหละลองหิวน้ำดูนะกระหายจริงหรือเปล่า